ดังนั้นผลเกิดถ้ามีเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัตชิช่อบถ้าไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดนั้นอย่าไปโทษอะไรทั้งนั้นโทษที่เหตุคือผลโทษที่เหตุคือการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัตชิช่อบถ้าไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัต ي, ิตชอ่อบผลมันก็ไม่เกิด <necessary. S 2> ถ้าเราต้องการผลเช่นรักผลนิ exercise, habits, ่พังเราก็ต้องเจริญเหตุบรรเทิเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติก่อนจะก่อนจะปฏิบัติก็ศึกษาปรายะศึกษาเช่นความเทศจความธรรมหนังสือธรรมะหนังสือที่เราได้กาเป็นหนังสือธรรมะเป็นหนังสือที่บอกแผนที่ หลอกขั้นตอนของการปฏิบัติมีทั้งเหตุและมีทั้งผลถ้าอาแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะเกิดความยินดีที่จะภาคเพียนปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา ท่านต้นก็คือต้องทำทางถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยก็ต้องทำทางเต็มรอ้อยพระพุทจ้าก็สอนว้าท่านได้ผลเต็มร้อยและมรกผลไม่ทานเต็มร้อยท่านก็ต้องทำทางเต็มร้อยคือสละทรัพย์สมบัติดูผู้ที่บรรลุมรรคผลไม่ทัน นักจะเป็นผู้ที่ทาทานเต็มร้อยกันทั้งนั้นคือไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองติดอยู่กับตัวเเวลาออกอฏิบัติสละดหมดเพราะเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติก็เป็นเรือก็เป็นหิงสมอเรือเวลาเรือจะออกจากท่าเรือจะวิ่ง ไปไหนมาไหยได้ต้องถอนส ม, มอเรือคถ้าไม่ถอนส ม, มอเรือมันก็ไม่สามารถล่งไปได้ทัพสมบัติเข้ากองทรายลาบยกส ม, ม็เสริญความศักดทางตาหงษ์จมูกดื่นกายบริษัทบริวารยาเสร็จมิสหายคู่ละคู่ครอง อยงนี้เป็นเหมือนสมเอเลยถ้ายังเสียดายยังหวงยังไม่อยากจะสละสิ่งเหล่านี้ไปก็เท่ากับไม่ได้ถอนสมองเลยไม่ได้ถอนสมอเลยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปอานจุดหมายต่างๆได้ผู้ที่ปรารถนาบัพผลณิภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมากจะ สระอบสมบัติข้าวของในทางสลระลาบยุบเสริญเสริุขทางตาหูจมูกมืกายต้องทาให้เต็มร้อยถึงจะได้ผลเต็มร้อยถ้าเราทำไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่เต็มร้อยเุกนผู้ที่ คองเรือนก็ยังสามารถบรรุมรรคผลนิพพานได้แต่อาจจะเป็นขั้นต้นๆเช่นขั้นพระสุดาบันปรากฏมีผู้ครองเรือนบรรลุเป็นพระสุดาบันกันเป็นจำนวนมากแต่พระสุดาบันท่านก็ยังมีความผูกพันอยู่กับรับส่งหบัิเข้าของเรือนทองรากยศนักเสวย อามสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยากที่จะได้ผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จำเป็นจะต้องสร้างเหตุให้มากขึ้นไปกว่านั้นคือต้องสละสมบัติสละเพศของคารวสาแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีล ได้อย่างเต็มที่แล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติจิตธรรมนาได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีอุปสรรคไม่มีภาร ก, กิจอย่างอื่นที่จะมากีดกัน้นการบำเพ็ญการดำเนินเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาคือให้เกิด ทาที่สูง ข, ขึ้นกว่าขั้นพระโสดาบัา น, าาค น, า น, นคือขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคารมีขั้นอรหันต์ต้องอยู่ที่เหตุคือต้องสร้างเหตุให้ครบเต็มร้อยทานก็สละไปให้หมดศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา สีของผู้ปฏิวัติก็สีแตกขึ้นแต่สีแตกสำหรับอุบาศกอุบาสิกาสีสิบสำหรับสามเณรแล้วกสีสอยยี่สกับศีสาม0้กว่าของภิกษุแนะิกษุณีนี่เป็นการปฏิบัติเต็มร้อยทางระดับสีส่วนการปฏิบัติเต็มร้อยทางระดับภาวนาก็คือ จะล่นสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับจะประครับประคองควบคุมจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้คิดไปกับเรื่องราวต่างๆจะคอยดึงจิตให้อยู่กับเรื่องเดียวให้มีอารมณ์เดียวเช่นให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่จาเป็น เป็นกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ถ้าไปคิดเริ่นั้นเร่องนี้ก็ดึงมาใช้พุทธโธดึงกลับเข้ามาอย่างทรงสอนพระว่าทำอะไรก็ให้มีสติปัดกวาดก็ให้มีสติโยกังปัดกวาดบินทาบาดก็ให้มีสติกับการเดินบินทาบาด ให้จดใจจดจ่ออยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่ไม่ส่งใจไปที่อื่นเช่นไม่คุยกันเวลาที่ทำกิจต่างๆเท่ากับเป็นการทำกิจสองอย่างคือคุยกันกับทากิจนี่มันก็เป็นคนเลื่อนกันใจต้องลอยไปลอยมาลอยมาที่กิจที่กำลังทำอยู่แล้วก็ลอยไปถึงเรื่องที่กาลังพูดคุยกันอยู่ นักภาวนานักปฏิบัติจึงมักจะไม่คุยกันเวลาที่ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนจะมีสติจดจ่ออยู่กับการงานของตอนเพียงอย่างเดียวต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดลื่ยเปื่ อ, อยให้ใจว่างให้ได้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลัง ทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารกำลังทำกิจต่างๆก็ให้อยู่ที่กิจนั้นถ้าไม่อยู่จะคิดเรื่องนั้นเร่องนี้ก็ใช้อุบายของการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปบริกรรมไปเรื่อยๆพุทธโธพุทธโธไปหนึงใจไว้ ไม่ให้คิดถึงญากิพี่น้อไม่ให้คิดถึงอดีต ท, ที่ผ่านมาไม่ให้คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักพอเวลาว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องทําอะไรก็หาที่สงบนั่งคัมสมาธิหับตาตั้งสติอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้าใช้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจเข้าออกควรจะทำอย่างเดียวจะเหมาะกว่าแล้วแต่จะถนัดเพราะบางทีทำสองอย่างแล้วมันจะเกิดการขัดกันได้เช่นบางครั้งต้องการบริกรรมให้เร็วขึ้นแต่ลมไม่เร็วตามเ น, นพุดเข้าถูออก เวลาต้องการพุโทโธเร็วๆขึ้นก็อย่าไปสนใจลมปล่อยลมไปเลยเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวให้รู้อยู่กับพุทธคาว่าพุโทโธไม่ต้องไปรู้อยู่กับลมรู้อยู่กับพุโทโธมันเป็นเหมือนกับทำสองอย่างเหมือนกับทํําทางานแล้วก็คุยกันถ้าจะเอาพุโทโธก็พุโทโธไปเลยถ้าจะเอาลมก็เอาลมไปเลย ถ้าจะเอาลมก็ให้ดูลมที่ปลายจมูกลมที่เข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมข้างไม่ต้องตามลมออกให้ใจจดจ่อเฝ้าดูตรงจุดที่เข้าที่ออกดูตรงนั้นอย่าตามเข้าอย่าตามออกเพราะจะทําให้จิตแกว่งไปแกว่งมาต้องการให้จิตนิ่งให้เป็นอารมณ์เดียวมันต้องไปบังคับลม จะละเอียดจะหายใจสร้งหายใจยาวก็เป็นเรื่องของลมเราต้องการใช้ลมเป็นสมอเรือตอนนี้เราต้องการใช้ลมเป็นที่ยึดของใจถ้าไม่มีอะไรยึดก็เหมือนเรือที่ไม่ได้ทอาสมอเรือก็จะหลไปตามกรนะแสน้าถ้ามีทอดสมอไว้เรือก็จะไม่ลอยไปตามกรนะแสน้ำ ใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ท่าส ม, มองด้วยการบริกรรมผุดโทรหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจเพราอใจยังไม่สมมงบจะมีเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาถ้าไม่มีอะไรเกาะไว้ก็เดี๋ยวก็จะลอยไปกับเรื่องต่างๆที่เข้ามา เร่ต้องหาอะไรเก่อหาเลยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่ต้องไปกังวลกับลมว่าหายใจสั้นหรือหายใจยาวหายใจยาวหรือหายใจละเอียดให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าอยากก็รู้ว่าอยากถ้าละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ถ้าสั้นก็รูว่าสัน้นถ้ายาวรู้ว่าอยาวให้รู้อยู่กับลงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่ององื่นอาจจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปรากฏอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจที่มีอาการอะไต่างๆคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับลง เลือให้กลับติดอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีการจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี้อย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะเข้าสู่ควาสมสงบได้อย่างรดวดเร็วที่เข้ากันไม่ได้ก็เพราะว่าใจส่ายไปสายมาไม่อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมแป๊บแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นน เผอไปยุ่งกับสิ่งที่มามาให้สัมผัสรอบรูบ่บางทีก็เป็นเสียงบางทีก็เป็นตลิ่นบางทีก็เป็นความรู้สึกทางร่างกายคันตรงนั้นบ้างคันตรงนี้ว่าแน่น้หน้า อ, อกบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปสนใจเขาจะเกิดกค่ปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องของเขาตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียว คือภาวน า, างานขังภาวน า, าของเราก็คือดูลงหยายใจเข้าหรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วแต่ถ้าใจไม่ยอมตั้งอยู่กับวิมารายใจเพราะคิดมากก็อาจจะต้องใช้อุ บ, บายของการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปดูสิว่าจะอยู่กับการสวดมนต์ได้ไหรือเล่า ถ้าอยู่ได้ก็พยายามสวดไปจนกว่าใจจะนิ่งใจจะหยุดคิดแล้วจะดูลงต่อก็ได้หลังจากนั้นนี่เป็นการทำสมาธิด้วยการเจริญอาณาปานสติคือมีสติ ด, ดูลงหายใจเข้าออกหรือด้วยการเจริญพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจริตหรือขึ้นอยู่กับภาวะของจิตบางภาวะถ้าจิตฟุ้ ง, งการบริกรรมอาจจะดีกว่าหรือการสวดมนต์จะดีกว่าถ้าจิตไม่ฟุ้ ง, งจิตก็ดูลมได้ก็ดูลมจะดีกว่าอันนี้ก็ต้องใช้การสังเกตดูว่าจะใช้กรรมฐานอันไหนดีกว่า แต่เมื่อใช้อันไหนแล้วก็ให้ใช้อันนั้นไปถ้าไม่สงบ อ, อยากเป็นโทษจริญมันไม่ใช่เรื่องของเจริญตอนนี้มันเรื่องของไม่มีสติมากกว่าใจไม่นิ่งไม่อยู่กับอารม์ที่เรากําหนดให้ให้จดจ่อเฝ้าดูอยู่แสดงว่าเราเจริญสติมาไม่มากพอหรือสติไม่มีกําลังมากพอกเราก็ต้องพยายาม จะานสติให้มากในในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกเวลาพยายามจะลานสติอยู่เรื่อยๆดึงจิตให้อยู่กับร่างกายผูกจิตไว้กับร่างกายหรือผูกจิตไว้กับพุโทโธเป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งถ้ามีอะไรให้ ให้จิตเฝ้าดูให้จิตทำมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ชีวิตของคาวว่านี้เป็นชีวิตที่ยากต่อการเจริญสติเพราะว่าต้องใช้ความคิดมากต้องทามาหาเกินต้องคิดเรื่องนัเรือ่องนี้มีเรื่องให้คิดมากมาย เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมากบุกคคลต่างๆจนเมื่อค่อยจะมีการว่าที่จะบรรลุธรรมกันส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชเพราะนักบวชนี้ไม่มีเรื่องมากเพราะได้ตัดในบวชแล้วด้วยการให้ทานสละลาบยศสละเสริญสละความสุข ตามตาหูจมูกขึ้นกายจึงทำให้การจเจริญสตินี้สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ใครนั่นเองผู้ที่จ ะ, จะเจริญภาวนาบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จำเป็นจะต้องปลิดวิเวกต้องอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากบุคคลต่างๆหรือการต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิวรเป็นตัวที่จะทำให้จิตไม่สามารถจะรังสิได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เวลานั่งสมาธิต้องปิดผู้เว้แล้วก็ไม่ ค, ค, คลุกคลีกันเวลามาทากิจร่วมกันก็นก ไม่คุยกันไม่คุ้คลีกันทำกิจของตนทำหน้าที่ของตนไปทำเสร็จแล้วก็แยกกันไป <c oughs> ถ้าถ้าอยู่คนเดียว <c oughs> ก็จะไม่มีอะไรมาคอยอลบโกนใจมาดึงใจให้ไปคิด ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรภายนอกแล้วก็ยังมีความคิดกระแสความคิดอยู่ในใจอันนี้เราต้องใช้พุทโธกำหนดเพื่อที่จะหยุดกระแสความคิดเมืกรรมพุทโธไปก็เท่ากับระงับกระแสของความคิดต่างๆหรือจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่นเวลาเดินจงกลมก็ให้ดูที่เท้าเท้ากาลังก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก้าวไปเดินตามธรรมดาไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วเดินตามปกติเราไม่ได้มาหันเดินเรามาภาวนาบางบางท่านอาจจะไปเรียนมาว่าการเจะเจะดินสติเวลาเดินจงกลมต้องก้าวขึ้นเนาะย่างเนาะน วางหนอก้าวขึ้นนอย่างนอวางหนออันนี้มันมันไม่จำเป็นต้องํำอย่างนั้นขอให้เรารู้ว่าเรากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละเป็นใช้ได้อยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ให้อยู่กับการก้าวเท้าของเราไปหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือถ้าชอบการเจริญกายากตราสติคืออาการ3 2สองก็จะท่องชื่อของอาการต่างๆไปก่อนก็ได้เช่นผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมามหวัวใจตับถ้งถือไ ต, ต่อดท่องไปให้ครบทั้ง32อาการไปทั้งอารมณมและปฏิโลมท่องไป เรื่อๆเพื่อเป็นบาเยืนใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้เพื่อให้เกิดสติให้ใจอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดปัญญาใช้เพื่อจะเรีนสงกใช้เพื่อให้ใจนิ่งเพื่อจะได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสง บ, บได้อย่างมที่ ขั้นนี้คือขั้นต้นคือการเจริญสติต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็มีเวลาก็นั่งหลับตาแล้วก็เจริญสติต่อถ้ามีสติมีกำลังดึงจิตให้อยู่กับอารม <c oughs> ณ์ของการภาวนาได้ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าจิตสงบเต็มที่ก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะไม่มีความคิดปูแต่งจะเป็นอุเบกขา <c oughs> จะมีอารมณ์เดียวที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆแต่ไม่มีอะไรให้รู้รู้ว่ามีแต่ความว่างถ้าอยู่อย่างนั้นได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้อยู่ไปอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเป็นสมาธิที่ ที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการจะเจริญปัญญาต่อไปแต่ตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาเวลาที่จิตอยู่ในความสงกเวลานั้นเป็นการเจริญสมาธิไหวให้สงกให้นานที่สุดเพราะจิตสนงบได้นานเท่าไหร่ก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหา ความคิดปรุงแต่งต่างๆได้เพราะสมาธินี้เป็นเหมือนเบรครถยนต์นั่นเองถ้ารถยนต์มีเบรกก็จะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของรถยนต์ได้ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกก็จะไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของเกเรตตัญหาคือความโลภความอยาก ความโกบความหลงได้แต่เวลามีสมาธิแล้วจิตสงบแล้วตอนนั้นกิลเลสตัณหาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หยุดไปแล้วถ้าหยุดไปนานๆกำลังของกิลเลสตัณหาก็จะอ่อนลงไปด้วยเวลาออกจากสมาธิแบบนี้มากิลเลสตัณหาจะไม่ค่อยมีกำลังเหมือนตอนที่ก่อนจะเข้าสมาธิ ตอนนั้นก็จะเป็นเวลาเหมาะต่อการจเจริญปัญญาสามารถคิดไปในทางปัญญาได้คิดไปในทางความจริงได้คือคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วกิเลสจะมีกำลังมากกว่ากิเลสจะเดินให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกันให้คิดในทางสุภะทางสวยงาม ให้คิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาจะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปงานา น, นี่เป็นความคิดในทางกระแสของกิเลสตัณหาของความหลงจะคิดไปทางนี้เราจะไม่ค่อยมีกาลังที่จะมาพิจารณาอัาจุภจนันมาพิจารณานิจจังทุกขรงอัตตากัน จนกว่าเราจะมีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราไม่กำหนดให้พิจารณามันก็จะไม่ไปเหมือนกันเราต้องกำหนดเราต้องวังครัาพอออกจากสมาธิแล้วเราให้พิจารณาอสุภกญาณพิจารณาอาการ32พิจารณาสรางสมดูว่าร่างกายนี้ความจริงของร่างกายนี้เป็นยังไง ร่างกายนี้สวยตลอดเวลาหรือไม่หรือว่าสวยบางส่วนสวยบางส่วนก็ไม่สวยร่างกายนี้จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเวลาหรือไม่หรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนไปเวลาร่างกายหมดรมหายใจแล้วเป็นอย่างไรดูสภาพต่างๆของร่างกายเพื่อจะได้เห็นความจริง เพราะฉะนั้นเราจะมองว่าร่างกายเรานี้จะเป็นหายใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาไปนับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันที่เราตายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพิจารณาเพื่อให้คลายความหลงคลายความยึดติดในร่างกาย พิจรณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆอาหารนี้ก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟอาหารเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นต้นข้าวถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีอากาศ ไม่มีแสงแดดก็ไม่สามารถเจเริ่เติบโตได้เช่งเดียวกับผักต่างๆแล้วสัตว์ที่ไปรับประทานพวกพวกข้าวพวกผักเหล่านี้ก็เอามาแต่งเป็นร่างกายของสัตว์อีกทีแล้วเราก็เอามารับประทานเนื้อสัตว์อีกทีมันก็มาจากดีนน้ำลมไปทั้งหมดพนอะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา มันก็มาแปลงเป็นอาการส2สองเป็นอวัยวะต่างๆเป็นขนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกันอูนี่คือธาตุที่เข้ามาในรูปของอาหารแล้วก็มาแปลงเป็นอาการส2แล้วพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้หยุดทำงานธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันไป ธาตุที่เป็นน้าก็จะไหลไปออกมาธาตุที่เป็นไฟก็จะหายไปธาตุที่เป็นนมก็จะระเหยออกไปเหลือแต่ธาตุที่เป็นดินธาตุดิ น, นพิจารณาอย่างนี้ถ้ามีสมาธิแล้วจะพิจารณาได้อย่างเพลิดเพลินแต่ถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลั ง, งพิจารณาพิจารณาได้ไหมเดี๋ยวก็คิดถึงขนมนมเลย คิดถึงแสงสีเสียงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เขนานั้นเขานี้ปั๊บก็ไปลเดินพิจารณานี่คือความสําคัญของสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วสมาธิจะตัดกาลังของความหลงของความอยากของความโลภทำให้เรามีเวลามีกำลังที่จะดึงจิตมาพิจารณาในทาง ทำในในทานปัญญาไนดะ้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วไม่รู้จักพิจารณาก็จะไม่เกิดปัญญาบางท่านคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองปัญญาไม่เกิดขึ้นเองปัญญาต้องเกิดจากการวิเคราะห์พิจารณาความจริงของขันห้าหรือความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมา เกี่ยวข้องด้วยของอะไรต่างๆที่เรามีอยู่เช่นของภาย้อน ก, ก็คือวัตถุต่างๆข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆเขาก็อยู่ในกฎของตายรักเหมือนกันเขาก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่เราไม่มองกันว่าเป็นอย่างนั้นเรามองตามกติของสมมติว่า mm. เป็นนายกนายขอเป็นหญิงเป็นชาย เป็นสูงเป็นต่ำมีค่าอย่างนั้นมีค่าอย่างนี้แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงธาตุนั่นเองเป็นธาตุบินบ้างเป็นธาตุน้ำบ้างเป็นธาตุไฟบ้างเป็นธาตุลมบ้างเขาไม่ได้เป็นอะไรวิเศษวิโสและเขาไม่สามารถทำให้จิตใจของเรานี้วิเศษวิโสขึ้นมาได้ผู้ที่ยังยึดติดกับ ธาสีนี้จะไม่มีวันที่จะพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่ความสูงสุดของจิตใจได้คือเข้าสู่ระดับมรรคผลนิพพานได้ปัญญานี้เป็นธรรมะระดับโลกุตระคือเป็นธรรมที่จะยกจิตให้อยู่เหนือโลกแห่งการเวียนว่าตายเกิด สมาธินี้ยังเรียกว่าโลกิยาอยู่สีนี้ก็โลกิยาทานนี้ก็โลกิยถ้าทำทานรักษาศียงแล้นั่งสมาธิได้ได้ฌานได้สมาบัติ <c oughs> ก็ยังจะไม่สามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือการคิดว่าตายเกิดได้ต้องใช้การเจริญปัญญาเท่านั้น คือให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่จิตยังมาหองยึติดอยู่เช่นขันห้านี้เช่นลาบนัสะละเสริญเช่นลูกเสียงเกี่ยววัฏฏพภาสิ่งเหล่านี้เป็นโลกียะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไกรักไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นความสุข ไม่สูดิ่งลางไม่น่าชื่อชมอยินดีถ้าเห็นตามความจริงแล้วก็จะคลายความชื่นชอบอยินดีค ล, คลายความอยากได้ในสิ่งต่างๆถ้าคลายได้แล้วปล่อยวางได้แล้วนั่นถึงจะหลุดได้ที่ตอนนี้ไม่หลุดก็เพราะว่ายัางยึดติดยังมีความชอบอยังมีความรักกับ ลาบลดเสริเสริสุดยังมีความรักในขันห้าในรูปประขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาการปฏิบัติถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องเข้าเข้ า, เ ข, าเข้าสู่ขั้นปัญญาให้ได้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อน การที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องสละเพศของคาราวะไปก่อนต้องอยู่แบบนักบวชถ้าไม่ได้บวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชคืออยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งอะไรกับใครไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัติเก้าของหนงึ่งทองมีทรัพย์สมบัติไว้เพียงพอพอต่อการดำรงชีพก็พอแนละ้วแต่ไม่ใช่จะไม่มี จะไม่เอาทรัพย์สมบัติมาเป็นสาระเป็นที่พึ่นของใจให้ความสุขกับใจให้เอาเงินไปซื้อข้าวของต่างๆไปซื้อไปเที่ยวไปกินไปเดื่มไปหาความสุขจากาการการใช้เงินทองแบบนี้เงินทองมีไว้เพื่อที่จะรักาษาตภาพร่างกายคือให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพตต่อการปฏิบัติธรรม นี่คือในการที่ไม่ได้ออกบวญแต่ถ้าออกบวนได้ก็ไม่ต้องมีเงินทองเพราะว่ามีผู้อื่นคอยสนับสนุนในเรื่องปัจใจศีลอยู่แล้วก็จะได้มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่จะรักษาศีนได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่มีปัญหากับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อ รักษาทรัพย์สมบัติเงินทองหรือไปหาทรัพย์สมบัติเงินทองหมาเพิ่มไม่ต้องไปช่อโกงไม่ต้องไปรักษรัพไม่ต้องไปเพิ่ปิดเอาไอ้นี้ไม่ต้องโกหกหลอบลวงไม่ต้องเสพยสาลายาเมือหรืออบา ย, ยามุกต่งตงางๆเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ก็คือการทําใจให้สุบ ความสุขที่ได้รับจากาความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเสมอหรือดีเท่าหรือดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนัตติสัมติปรงสุขขงังอันนี้ถ้าผู้ใดได้สัมผัสกับความสุขภายในใจคือความสงบอย่างจิอย่างแท้จริงแล้ว จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อความสุขต่างๆที่เคยได้เสพสัมผัสมาจะอยากจะสับสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่อยากจะอยู่แบบนักบวชหรืออยากจะออกบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติ ทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ันอนต้นจะทําให้สงบในระดับของสมาธิคือชั่วกล่าวเวลาเข้าไปในสมาธิใจก็สกงบเย็นสบายพอออกมาใหม่ๆก็เย็นอยู่แต่พอนานเข้าไปแล้วควาสมสงบก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนน้ำเย็นที่เราเอาไปแช่ในตู้เยน็นเวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆนั้นก็เย็นเฉียด แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปเมื่อหมดแล้วก็ต้องเอาน้ำกลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่ถ้าอยากจะดื่มน้ำเย็นๆอีกทัานใด<ม>ถ้าต้องการให้จิตสงบให้มีความสุข<ม>ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิถ้ายังอยู่ในระดับของสมาธิแต่ถ้าอยากจะให้สงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ คือรักษาความสงบที่ได้าจากสมาธิไว้ตั้งแต่ออกมาจากสมาธินี้ก็ต้องให้เจริญตัญญ า, าให้พิจารณาไปทางอนิจจังทุกขงังอนัตตาให้พิจารณาเพื่อสกัดกั้นความอยากต่างๆที่เป็นเหมือนไฟที่จะทําให้ใจร้อนขึ้นถ้ามีสติปัญญาคอยสกัดกั้นความอยากเช่นการวัตหาภาะวะตัณห า, าวิภวะตัณหาได้ ความร้อนของใจก็จะไม่เกิดความเย็นของใจก็ยังจะเย็นต่อไปได้ mm hmm. การเจริญปัญญาก็มีสองลักษณะ mm hmm. เป็นการเจริญเตรียมไว้ก่อนเป็นการซ่อมไว้ก่อนเป็นการาทำการบ้านไปไก่อน mm hmm. เพราะว่ายังไม่มีเหตุการณ์จริงถ mm hmm. ึงการพลาาจากสิ่งต่ตางๆถึง จากบุคคลต่างๆหรือจากร่างกายของเราว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายของคนที่เรารักที่เรารู้จักก็เช่นเดียวกันก็ต้องแก่เจ็บตายทรัพย์สมบัติรืออะไรก็ตามที่เรามีอยู่มันก็จะต้องพัดผ้าจากเราไปให้คิดซ้อม้ว้ก่อนคอยสอนใจเปลี่ยนสอนให้ใจยอมรับความจริงอันนี้ แล้วพอเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ถ้าเตรียมไม่เต็มที่พอถึงเวลาเหตุการณ์จริงใจไม่ต่อต้านความจริงใจไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าจเจริญปัญญาไปแล้ว ถ้าเกิดอาการฟุ้งขึ้นมาก็แสดงว่าสมาธิหมดกำลังตอนนั้นก็ให้หยุดพิจารณาแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในสมาธิมาไปทำใจให้สงบใหม่ก่อนทำอย่างนี้สลับกันไประหว่างสมาธิและปัญญาตนกว่าจะไปเข้าห้องสอบถ้าเข้าห้องสอบแล้วผ่านแล้วก็ถือว่าจบแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธิเพราะว่าใจที่ผ่านที่ดับความอยากได้แล้วจะไม่มีวันที่จะร้อนขึ้นมาได้ต่อไปจะไม่มีวันที่จะฟุ้งขึ้นมาได้ต่อไปจะไม่มีวันที่จะทุกข์ขึ้นมาได้ต่อไปจะเย็นจะสบายจะสงบไปตลอดตามลำดับของปัญญาปัญญาก็อย่างที่พูดไว้ก็มีอยู่สี่ระดับ ระดับของพระโสดาบันของพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้ก็จะเย็นไปตามระดับของแต่ละระดับไปถ้าได้ระดับของโสดาบัน้ก็ก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเรื่องของพระโสดาบันตอขึ้นไปสกิดาคามีได้ก็จะเย็นไประดับนึงขึ้นไปอนาคามีก็จะเย็นไปอีกระดับ พอเข้าท่านพระอาหันต์ก็จะเย็นอ ย, ย่างเต็มที่เย็นอยู่ตลอดเวลาสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ฟุ้งไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นใจเป็นอุบเบกขาตลอดเวลาอันนี้เป็นมหน้ า, นาของปัญญาสมาธิไม่สามารถทำได้ผู้ที่สำเร็จทางสมาธินี้จึงยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด เนื่องจากว่ากำลังของสมาธินี้ไม่ถาวร น, นั่นเองจะสงบแล้วก็จะค่อยๆ อ, อ่อนไปเช่นผู้ได้ได้ฌานได้ชั้ชนพรมอย่างนี้เวลาตายไปจิตก็เป็นพรมแต่อยู่ไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆหมดกาลังไปเหมือนกับน้านเย็นที่จะค่อยๆค่อยๆหมดความเย็นไปเพระในใจยังมีกิเลสตัณหา ตัวที่ทำให้ใจร้อนขึ้นมานี้หรือทำให้ใจอยากขึ้นมาพอตืต่นเตักหาเริ่มมีกำลังก็จะเกิดความอยากในรูปเสียงกิดก็จะเสียงลงมาจากชาญจากชั้นพงลงมาสู่ชั้นเทพตอ น, ตอนกเกษตรรูปเสียงกิดทิบไปกับเกษตไปสักระยะแล้วก็เกิดความอยากมากขึ้นก็ต้องเสดของที่อยากกว่านั้น ก็ต้องมาหาร่างกายเพื่อมาเสริเรื่อง เ, เองสียงกิดรอดที่หยาบขึ้นไปนีเปน่เป็นผลที่ได้จากการจริวสมาธิการนสูงสุดก็ท่านพรหมส่วนการให้ทานกับรักษาศียก็จะทำให้เป็นเทพถ้าไม่รักษาศียไม่ทำทานทำรุงเลยก็จะไปเป็นเดรบฉานเป็นเปร เป็นวสุว่ากายเป็นนร ก, น, น, กนี่คือสถานภาพของจิตใจของสัตว์โลกขึ้นอยู่ที่บุญกรรมที่ทำเอาไว้แต่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ต้องมีโลกุตระธรรมต้องมีปัญญาต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเามาปรากฏ มาสอนความจริงคืออริยธรรทุกขังนะตาสอนอริยสัจสี่ทุกขงังนี่ก็คือทุกในอริยสัจสี่นี่เองไม่ใช่ทุกเวทนาเช่นเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นอริยสัจสีเป็นเป็นเป็นทุกขเวทนาเป็นทุกในขังแต่ทุกขังในในอริยสัจสี่หรือทุกขังใน อ น, นิจจังทุกขงังอนัตตานี้เป็นเป็นทุกข์ในจิตเป็นอริยสัจเป็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากอยากแต่การละตัณหาภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาถ้ามีความอยากวันนี้เกิดขึ้น <c oughs> ก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมาถึงแม้นั่งการจะอิ่มจะสบายจะสุขจะอยู่ในห้องแอร์ถ้า ม, มีความอยากเกิดขึ้นมาปั๊บ ใจจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีความทุกข์นี้ไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายที่เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้เกิดจากเวลาร่างกายไปเหยียบของแข็งเข้าเหยียบหนังเข้าแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่เกิดทางใจไม่ได้เป็นทุกขในอริยสัจสีคนละเรื่องกัน ทุกในอะศาสตร์สีนี้มีพระพุทธเจ้าท่านั้นที่จะมีปัญญาบาลาีที่จะสามารถเห็นได้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะเห็นแต่ทุกทางร่างกายแล้วก็มีแล้วก็มีทุกทางจิตใ จ, จด้วยแต่ไม่เห็นทุกทางจิตใ จ, จก็จะเห็นแต่ร่างกายอย่างเดียวเช่นเวลาหิวข้าวก็รู้ว่าหิว แต่ไม่ร้วามีความหิวอยู่สองไห่หิวกายและหิวใจต้องมีพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาที่จะมาสามารถแยกทุกสองแบบนี้ออกจากกันและรู้ว่ามีทั้งทุกกายและมีทั้งทุกใจและวิธีปฏิบัติต่อทุกกายและทุกใจก็ไม่เหมือนกันวิธีที่จะปฏิบัติกับทุกกายก็คือถ้าแก้ได้ก็แก้ไป เช่นถ้าหิวข้าวมีข้าวกินก็กินไปถ้าไม่มีกินก็ปล่อ ย, อยทุกไปปล่อยมันหิวไปเพราะว่าถ้าถ้าไปอยากให้ความหิวนั้นหายไปก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยความหิวของร่างกายถ้าหาอะไรมารับประถานมาได้ก็ต้องอยู่กับความหิวไปถ้าเราอยู่กับความหิวได้เราไม่เดือดร้อนกับความหิวมันก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าเราอยู่กับมันไม่ได้มันก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกทางซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความหิวของทางร่างกายวิธีที่เราจะดับความทุกข์ของทางใจเราก็ต้องใช้วิปัสสนาและสมถะภาวนานี่เองเช่นเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะสามารถมาหยุดความทุกข์ทางใจได้เราก็ใช้ สมถะคือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบไปก่อนบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากจะรับประทานอาหารพอเราคิดถึงอาหารแล้วน้ำลายจะไหลจะเกิดความหิวขึ้นม า, ท, าทันทีพอเราหยุดความคิดนี้ได้ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอาหารก็จะหายไป เแต่ความหิวของร่างกายซึ่งไม่รุนแรงเหมือนกับความความความทุกข์ทางใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะรับประทานอาหารอันนี้ความทุกข์ทางใจนี่มีรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายเป็น10บต่อหนึ่งถ้าเราอยู่ความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหา ควาทุกข์ทางร่างกายนี้บางทีเราหยุดเขาไม่ได้เขาต้องเป็นเป็นไปอย่างนั้นเองเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มียาไม่มีหมออย่างนี้ก็ต้องอยู่กับมันไปสมัยก่อนพระที่อยู่ในป่าเจอไข้ป่ายก็ไม่มีอะไรก็ต้องใช้การภาวนาเนี้คือแยกใจออกจากร่างกายปล่อยให้ร่างกายทุกข์ไปเจ็บไปแต่อย่าให้ใจไปเจ็บกับร่างกาย อยาให้ใจไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปถ้าใจเป็นอุเบกขาใจเป็นสมาธิใจก็จะไม่เดือดร้อนถ้าใช้นเรียกว่าการใช้อุบายของสมาธิคือให้ใจสงบไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บของว่างกายให้ปล่อยวางร่างกายแต่มันก็จะปล่อยวางได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสกับความเจ็บของร่างกายก็จะเกิด ความอยากให้มันหายสิก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเลยถ้าอยากจะให้ความทุกข์ทางใจหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ต้องเข้าใจกฎของอริยสัจสีต้องเข้าใจว่าความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าไม่อยากเจ็บทางใจก็ต้องปล่อยวางความอยากคือร่างกายจะหายหรือไม่หายก็ปล่อยเขาไปอยู่ต่อเขาให้ได้ เขเจเราก็ต้องอยู่กับคขาให้ได้อยากไปปฏิเสธเขาอยากไปอยากให้เขาหายไปถ้าไม่มีความอยากทำนี้อยู่แล้วใจก็จะเฉยๆก็ๆจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายก็จะไม่มีปัญหาต่อต่อใจเพราะใจสมงบ น, นี่คือวิปัสสนาปัญญาผู้ที่มี ปัญญาแบบนี้แล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี้ไม่เป็นปัญหาจะมีหมอรักษาหรือไม่มีหมอรักษาก็าไม่เป็นปัญหาเพราะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เช่นเดียวกับความตายใจที่ยอมรับความตายไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตายก็จะสามารถอยู่กับความตายได้อย่างไม่สะทกสะทา้าน นี่คือเรื่องของปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วใจจะปล่อยวางได้ใจจะยอมรับความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายได้ว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเราไม่สามารถไปควบคุมบางครับเขาได้ไปจัดการเขาได้เสมอไปบางครั้งบางเวลาก็พอจัดการได้แต่ถึงเขียนยางแล้วมันจะจัดการไม่ได้ เช่นเวลากล้ตายเวลาจะตายไม่มีใครจะจัดการได้ดีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องปล่อยมันไปให้มันตายไปอย่าไปจัดการมันดูมันไปรู้เฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์เราต่อไปก็จะไม่มีปัญหาจะไม่ต้องไปหาร่างกาย เด้พราะเห็นแล้ว่าร่างกายมันทุกข์มีแล้วมันทุกข์อย่างเป็นมีดีกว่านี่คือเรื่องของปัญญาที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีความสามารถรู้เห็นได้ด้วยค์เองโดยเห็นอายวิสัชชีเห็นว่าทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากสามประการ คือการมตัณหาเพราะว่าตัณหาและวิภาวะตัณหาเห็นวิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจก็คือต้องทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาดให้ยอมรับกับความจริงเพื่อที่จะได้หยุดความอยากได้ถ้าเราเรู้แล้วว่าเราหยุดเขาไม่ได้เราจะไปอยากให้เขาหยุดได้อยา่อยางไงเช่ mm hmm. นตอนนี้ฟ้ารา้องอยากจะให้ฟ้าร้องหยุดนี่ถ้าอยากไปก็จะทุกข์ไปต่อเปล่ า, เ, ล า, เ, ลาเพราะเขาจะไม่หยุดตามความอยากของเรา แต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเสียงฟ้าร้องเราก็ปล่อยเสียงฟ้าร้องให้เข้าร้องไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใจของเราก็จะนิ่งจะสงบจะไม่ทุกกับเสียงฟ้าร้องอันนี้แหละเป็นเป็นความรู้ที่ที่จะปลดปื่องอสัตว์โลกให้ดุดพ้นจากการเยียวไหวตายเกิดได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่ ที่สั่นโลไปยึดตินี้ก็มีตัวทุกข์นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ปล่อยไม่ได้เพราะเวลาทุกข์แล้วแทนที่จะปล่อยความอยากกลับไปใช้ความอยากแก้ก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่แทนที่จะหายทุกข์กลับไปทุกข์ไปใหญ่ต้องหยุดความอยากเช่นจะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็อย่าไปอยากให้เป็นอย่างอื่นเราจะไปก็ปล่อยเขาไปเราจะไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาอยู่กับเรา เราพ่อที่ยิ่งทุกข์ใหญ่ทุกข์ในขณะที่เขา เ, าเขากำลังจะจากเราไปและทุกข์ในขณะที่หลังจากที่เขาจากเราไปแล้วดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาอาริยสัจสีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ควบคู่ไปกับใจรักเพราะอริยสัจ ส, สีกับใจรักนี่เป็นเป็นของที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกัน เพราะว่าในใจรักก็มีทุกขังอริยสัจแล้วในในทุกขังอริยสัจก็มีมรรคมรรคก็คือให้เห็นใจรักนั่นเองมรรคก็คือปัญญาให้เห็นความจริงของสภาวธรมทั้งหลายกันนะเที่ยงไม่เที่ยงเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ในแต่ละครั้งจะต้องเห็นใจรักของ เห็นใจรับเห็นอรอยิยสัจสี่ของของธรรมแต่ละขั้นนั้นดังนั้นก็ขอให้เราให้ความสนใจต่อาการเจริญเหตุให้มากเหตุก็คือการปฏิบัติก่อนปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรหรือถ้าปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆแล้วผลที่ต้องการก็จะไม่ได้ พอให้ศึกษาเมื่อรู้แล้วก็นำออกไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างอย่างเต็มที่อย่าไปเสียดายอย่าไปขวางกับงานอย่างอื่นสมบัติข้าวของเงินทองของเหล่านั้นะนะไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจไม่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เราจิตใจหยุดท้นจากการมีว่าตายเกิดได้หยุดท้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่งาน ที่พระเจ้าส่งมอบให้พวกเราปฏิบัติเท่านั้นคือทานศีลภาวนาขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจเอกับงานอ น, นี้เถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเองไม่ต้องไปขอผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งของเรานั้นก็ขอฝากเรื่องของการจเจริญเหตุคือการปฏิบัติทางศีลภาวนาให้ท่านได้ไปเป็นพิจารณา เพื่อประโยชน์คือมักผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปของพักไว้ชั่วคราว